มีอะไรเหรอมี question เอ่อคือไมคุณก่อนนี่หละคุณมีคำถามว่า อ, อ <c oughs> um, she's been meditating since 30 years old a n she's 7 now and still no results so would like your advice on how to go about it อ, อันนั้คุณถามเองก็ การภาวนาหรือการนั่งสมาธิก็เพื่อคาใจให้สงบให้ใจหยุดคิดถ้าใจเรามีความคิดอยู่เรื่อยๆมันจะไม่สงบมันจะไม่ได้ผลเวลานั่งนี้ต้องมีตัวกากับใจตัวควบคุมใจเรียกว่าสติสตินี้ก็มีหลายหลายแบบด้วยกัน เป็นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธว่าจะหยุดความคิดได้เรานั่งไปแล้วเราก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยอให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สอนนั้นตอนนี้ถ้ามันไม่คิดได้สักต่อเนื่องสักห้านาทีสิบนาทีมันก็จะสงบปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องสรนี้ ห้านาทีสิบนาทีเราพุโทโธได้สองสามวินาทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราต้องพยายามสึกพุโทโธตอนที่เราจะมานั่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปในใจไปทําภารกิจต่างๆก็พุโทโธพุโทโธไปฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆให้ใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆ ถ้าคิดแล้วมันก็เวลามานั่งมันก็จะไม่อยู่คิดถ้าเราฝึกให้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆ เ, เวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุทธโธถ้าอยู่กับพุทธโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งจะสงาได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งถ้าเราไม่ชอบใช้พุทธโธก็ใช้การเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ ให้อยู่กับการทำงานของร่างกายกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งกาลังยืนกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ากาลังทำอะไรนี้ให้ใจอยู่กับร่างกายอย่าให้ไปอยู่กับเรื่องอื่นพร้อมๆกันเอาอย่างเดเอาเรื่องเดียวให้ใจอยู่เรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็อยู่ไปนู้ไปฟุดโฟไปรืจะ ถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะคิดเรื่องที่นี่ก็ใช้พุโทโธช่วยกระดับอ่าเวลากําลังอาบน้ําอยู่เนีย่ยไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ใช้พุโทธโธพุทโธเดินกลับมาพยายามฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตอย่าให้มันไปอนาคตถ้าใจอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบ สงบแล้วมง น, นก็จะพบกับความว่างของใจพบกับความสุขของใจความสุดที่เป็นธรรมชาติที่เกิดจากความสงบอันนี้คุณนั่งได้ที5่5ชั่วโมงนะครับใช่เยอะ a lot of times นั่งได้5้าชั่วโมงก็เก่งนั่งหลับหรือเปล่าเยอะมาก แล้วมันรู้สึกแต่ได้ครั้งเดียวแต่ว่าโดยปกติจะต้องได้สี่ชั่วโมแล้วสี่ชั่วโมงนี้มันเป็นยันไงมันนิ่งไ้มมันสงบไหมมันเออมันแวกไปแล้วก็กลับมาแล้วแวกกลับแล้วบางทีก็ก็รียบร้อยสงบดีก็มีคือมันแว่ไปแว้บมมันก็มีแบบดีที่สงบบ้างนิดห่อยบ้างแต่ว่า มันก็มันก็จันก็เป็นเรืงยนะคะรักษาไปเรื่อยๆใมันก็มูมือที่หนแต่ว่านั่งงานก็ดีแรนี่ดีกว่าทำไมวงวันคือคือคือชุ่วโมงเออชุดวโมงแรกแล้วึ่งชุ่วโมงแรกปุ๊อยู่ที่นี่มันจะปวดเมื่อยมากพอผ่านไปปุ๊กมันก็จะคลายหายไปพอถึงหมดชั่วโมงที่สก็อยากต่อพอหมดทั่วโมงที่ สองยากตก็ไปถึงสามสามก็มันก็ไม่อยากอนก็อไปถึงอยู่วันนึงก็ออกไปถึงห้าาดสุดแคือมันคือมันไม่ปวเมื่อยก็ดีก็ไปได้แต่ว่าใจอวามันมัไม่ันก็เนื่องบ้างนบ้านแต่มันก็ไปกันมันมีความสุขไห้ละก็สุขสก็ดีๆคือไม่ใจดแต่ม่อยู่้น่ง มันไม่้เปนไหายใจไม่ได well ้คือไม่เหมือนจะตายอ่ะแต่ก็เลยตายแล้วมันไมนเหมือนจะไม่ตายมันจะตายจริงๆมันมันมันเปความัวตายขึ้มากแล้วจะตับก็เลยไม่ได้หายดีก็จะเดินไปยดาดีเอ้าลกน้อยเล็กมันก็หายแต่ว่าอันนี้หนักมาก อถอาเป็นันจะตายเนี่ยมันเหมือนจะตายนายแ่ลัวมากตัวตักนันมันหายกลัวนักก่นก็ดูดูนั่นก็หายไปแล้วทุกปก็กวิเมืกเครบรอบสี่ชัวตอนนี้ยังเจ้าตายรึป่ามันเวันดียววันนั้นอย่างเดียวใช่แต่ตอนนี้มีควเคัตายรึเป่แต่แต่วันเวลาที่น่จมาเขาบอเร ันตอนนี้เนี่ยคืทุกคนได้กลัวหายแต่ตอนนั้นน่ะมันจะแบบเด่นตายจริงๆกับตั้งคือถ้ามันยอมตายมันก็จะไม่มันก็จะหายกลัวไปตลอดแต่ว่าตอนนั้น่ะมันกลัวมากเลแล้วก็มันก็ค่อยๆหายกลัวก็หยุดแต่เองมันก็อาการดีขึ้นเหมือนหายใจกันครับนั่นนั่นมันหายไปเพราความความสงบถ้ามันหายด้วยวิปัสสนาหรือปัญญามันก็จะหายอย่างถ้าว คือถ้าเรายอมรับว่ามันยังไงร่างกายนี้มันไม่มีสุวมันก็ต้องตายมันเป็นอนิจจังถ้ามันไม่ได้เป็นอนัตตาไม่เทิตัวเราถ้าไปกลัวไปกลัวมันก็จะทุกข์ไปตลอดถ้ามันยอมแล้วมันก็จะหายกลัวหายทุกข์ถ้าจะอยากจะให้มันหายกลัวไปตลอดก็ต้องใช้หลักคราวหน้าเจอความกลัวก็ใช้แบบนี้พิจารณาว่าร่างกายมัน ไม่เที่ยงเกิดแก่เกิดตายพิจรณาว่าเป็นอนัตตาเราห้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเรายอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเราอยากให้มันอยู่มันก็จะทุกข์ถ้ามันยอมปับมันยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องตายแน่ๆแต่ว่าตอนนั้นมันแต่ว่ากลัวมากเลยนะครับน่นเลยบอว่ากลัวก็เพร ผมกลัวว่าเราไม่รู้จะไปไหนนะคะก็คือไม่ต้องไปสนใจไปไหนไม่ใช่ไหแก้ปัญหาวจะเอ้จะนั่ต่อจะลุกดีแต่นสิก็ไม่ลุกะก็นังไปนสิก็มันกดีขึ้นก็หายไปเลยอ็นี่แหละถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องต้องต้องแก้ปัญหาความกลัวนี้ได้อันนั้เป็นแคช่มาเลยะเสียแคชกเป็นชั้เดียวความกลัวความทุกนี้เป็นข้อสอบตรงนั้นน่ เราก็ต้องใช้ปัญญาแก้เมื่อเกิดก็สองอาทิตย์แล้วเองไม่เร็วเลยหแล้วก็เป็นทั้งแม้ไม่ว่ามันจะกลัวเรื่องอะไรก็ตามกลัวเรื่องความตายกลัวเรื่องความตายของคนอื่นมันก็แบบเดียวันถ้าใช้ปัญญายอมรับความจริงมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มันก็จะยอมแล้วมันก็จะหายกลัว ปฏิบัติก็เพื่อดับความกลัวและความทุกข์มีทั้งยังเรียกว่านะก้าวหน้างั้ก็มันก็มันก็อยู่ที่ความสงบทั้งนั้นอยู่ที่ความนิ่งนั่งไปสี่ชั่วโมงก็นิ่งแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็กลัวถ้าอยากจะผ่านความกลัวนี้ก็ต้องพยยนะิจารณาความจริงความจริงคือร่างกายร่างกายนี้มันตายไม่ตายถามดูห้ามมันได้หรือเปล เราไปทุกข์กับมันเนอะทุกข์เขาอยากให้มันไม่ตายถ้ายอมให้มันตายมันก็จะหายทุกมันไม่เชิงว่าเราเราไม่ยอมตายก็ยอมนะคะคิดรู้ว่าจะต้องหยดเวลาปกติใี่ไหนะเราก็เข้าใจล้วก็ยอมแต่ว่าสิงทีเราหัวไม่รู้มันไปไหนฮะสวยมันไม่เค่หือมันมันอยู่เดยมันเป็นแบบนั้นเองจะไปไหนก็เม่มันจะไปไหนมันก็มันอยู่ที่นี่แหละมันก็อยู่ที่เราแหละ เาเนี่ยจไหนร่างการมันก็ไปไปวัดแล้วมันจะไปไหนรีดแล้วคาที่าที่ัมเความกลัวนความหนักมากกว่ายงอความเจ็บความเจ็บมีปัญหาไหมจุดจุดปัญหาจะเองคือเันมีประมาดมีสาที่วันเวลาเจอมันก็กลัวไหมเวลาเจอเจอมันกลัวั้มไม่กลัวความเจ็บ มันมันเกิดแล้วก็แบบแล้วแบบทุกครั้งเราก็แบทุกครั้งความเจ็บก็ไม่กลัวแต่กลัวความตายว่ามันมันหายนะคะมันรู้สึกมันไม่เจ็บแล้วมันเหมือนแยกไปต่ออก็ดีืก็มาแก้ความกลัวตายกันแล้วแหละถ้าวันปวผ่านแล้วล่ะวันนั้นมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปเอยคือคือตอนแรกตั้งใจจะจะออกจะ เลิกนั่งสมาธิไไหมแล้วก็ไปหอหเขาช่วยจะบใค้ทมาช่วยเราได้นเราต้องช่วยตัวเองก็เลยนัก็หลไปเรื่อยๆมันก็ห า, ไไ า, ายไอดใช่ใช่ใครจะช่วยไ่ด้เพราะว่าตอนนั้นไม่ค่ะตามตายก็เหมือนกันนะตามตายก็ไม่มีใคช่วยได้เพตอนนั้มีอยู่ละ ม, มีอยู่ตังสปีแล้วไม่ไดนั่นงสามาธิเลยค่ะีเหมือนแจายกตายแล้วก็แ้ก็ช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วก็เลย ขอนนัมาธมันขายเองที่คนไม่หาใจมันเหมือนจะหายใจานที่เราไม่ได้เจ็อะไรจะนอนนะน่งจะนอนคุนสก็ขอนนั่งสมาธิจนคนช่วยก็หลับหมดเลยหมดแล้วเราก็หายเลยปกติเป็นปีแล้วนึเง็ี เป็นสองสาครั้งถ้าไปโรงพยาบาลด้วยแล้วเขาตวแล้วเขาก็ให้กับออกซิเจนก็เต็นปอดแล้วตอนหลังเลยไม่ไปค่ะไม่ไปมันเป็นอย่างนั้นจามเที่ยวอไปโรงพยาบาลให้ออกซิเจนอะไรแล้วเขาตรวออกซิเจนเต้นปอดตอนหลังเป็นนี้ก็เลยถูกพาเนื่องสมาธิหอลู้ทิ้งหน้าโดนนอนพวกนั้นสองน้องเนี่ยจนพวกที่กด้ลมแจกก็หลานก็หลับแล้วจะสามีก็หลับเราก็ไมน เลิกเลิกเลิกขาดใจแล้วโอ้โหใช่ใช่ม pues nope> ันยากกว่า hmm. กันกาปฏิบัติเพื่อดับความกลัวเจ็บดับความกลัวตายจะได้สบายจะได้อยู่อย่างสบายของเราถ้ากลัวแก้สองตัวนี้ได้กับสบายมันถ้าเจอความกลัวตายก็ต้องพิจารณาความตายของงั่งตายบ้าง ร่งางกายนี้ยังไงงานมันก็ต้องตายส่วนใจมันจะไปไหนก็สร้างหัวมันถึงเวลาก็รู้เองทำยังไงให้ใจมันตายไปด้วยนะอยๆตายใจไม่มีวันตาย <c oughs> no no no ไม่เคราะว่าใ น, ใ น, ในที่เรียนมาเรื่มาโดะสูตรท่านบอกให้วางใจ ในในที่สิ่งให้มาบอกว่าพอตายตายตายให้ให้ใจตายไปด้วยในในในหน่สืเขียนอย่างนั้นก็เลยอมองเูเกิดเกิไปแายตายนั้นใจใจตายตายใจเขาจไหมใจปล่อยให้ใจปล่อยใจไม่มีวันตายอือใ น, ใ<จ>นออ่าใที่ห้ให้ใจให้ใจตายไปกับมันให้ให้ตัวร่ายตายไปแล้วก็ให้ใจ ว่าดับไปด้วยเขาพูดอย่างงั้นเพื่ออเนี่ยครัว่าดับก็ดับคาาตัวดใจมันก็ทํางานมันก็ไม่ตายเนี่ยมันมาเกิดตั้งกี่ครั้งแล้วมันก็มันจะได้ตายได้ตรงไหมันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดกับร่างกายนี้มันมีมันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีอยู่มันก็เปลี่ยนร่างกายมาเรื่อย ร่างกายนี้ตายไปมันก็เปลี่ยนพอไม่ไปตายไปกับร่างกายมันถึงเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะเกิดใหม่ก็ให้มันตายไปกับร่างกายออก็ตายก็คือว่าให้ปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยร่างกายก็คือหมอฟ้องไม่อยากเกิดก็จะไม่เกิดอไม่อยากเกิดก็ต้องไม่อยากไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายถ้าอยากถ้าอยากให้ ถ้าอยากให้ร่างกายไม่ตายก็สยแสดงว่ายังอยากอยู่ยังอยากเกิดอยู่อนที่กลัวมันไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายไม่กลัวแต่ว่าไมมันจะไปไหนไม่จริงหรอกไม่จริงอ่ะไม่จริงหรอกคนพูดไรเขาเรื่องของคุณอเองเรื่ององเทเเรื่องมันไม่อยากจะตายนะเออ <laughs> แก้พวก่านีมันก็แก้ปัญหาไม่ถูกประเด็นนั่นเองก็คือในใจมันกลัวไม่นจะปหนจริงอย่างนั้น <laughs> มัไม่ใช่กลวไม่ไปไหนแบบมันกลไม่ได้อยู่ถามไม่เชียวคุณไปลองที่สูดดูคุณไปไหนคุณก็ไม่นึกว่ัญหาตรงไหนจะไปไหนก็ไม่ไปไหนปัญหาเปนอย่าี้ตายหรือไม่ตายเน้นคุณเมื่อหาประเด็นไม่เจอคุณก็แก้ปัญหาไม่ถูกแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะคุณกลัวไม่รู้คุณจะไปไหนแล้วคุณจะแก้ยังไง ก็มันไม่มีธีแก้มันเขราไม่ใช่ประเด็นที่จะให้ลอมแก้อก็ถึงได้ว่าผอมาอ่านพระสูตรแม่พอเออเพราเราก็มีแก้เลยนะก็ม่ใจมันตายไปเลยก็ยึดแก้อย่างนั้นแก้สามพระสูตรไม่ได้ไหมใจไม่แม่ตายจะไปทำให้มันตายได้ไงคำว่าตายก็คือให้มันตายไปกับตายไปกับปล่อยร่างกายซ่อมตายก่อนตายเขาเรียกนี้เข้าใจไหมให้ใจมั ใจไม่ยอมตายเวลาร่างกายตายใจไม่ยอมตายใจต้องยอมตายถ้าใจยอมตายแล้วมันก็หายทุกข์แต่ใจมันไม่ตายถึงแม้ยอมตายมันก็ไม่ตายใจพระพุทธเจ้ายอมตายใจของท่านตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ไดเกิดใหม่ทุอ่ามมาแีโอเคคือคือเอ่อผู้รู้ผู้รูิตสติ โหนี่นะครับคือ I went to the meditation class I'm sweating finally เพราะว่ามัน mm hmm. มี d i s c r e p a n c y เยอะอะค่ะ mm hmm. แล้วก็แล้วรู้สึกสุดขัดมากโดยนักเทศน์ t ึ่งมีที่ให้นิดเดียวแล้วก็ทุกคนพอเดินมาตรงนี้ก็เจอหน้ากันอะไรอย่างนี้ยอ่าเพราะฉะนั hmm. ้ um, สำคัญที่สุดคือไม่มีฟ้าเลย mm hmm. นะคะแล้วก็วันนึงฟังเทปท่านท่านบอกมีคนถามบอกว่าถ้าหากว่า Uh, นิพพานเป็นคนสามไม้ท่านนิพพานเราจะตายภายในเจ็ดวันนะเห็นไหม right อ mm ันบอกครับเราก็บอกเอ๊ะ e ฟังึิดหรือเปล่า <laughs> mm hmm. <laughs> เราก็เลยถามอาจารย์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นรุ่นก่อนมาสอนเราเป็นนับถึงไม่ลงอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าพอเ อ, อ่านจากหนังสือที่เราได้มา w I just d o n e e the words and I find that I'm wasting my time here But then I got confused, and that's one question I got confused on. And then the other question I got confused on. The y u a h t the t e a t e which is not correct, mm -hmm. i t right? mm -hmm. Okay. Now, t h a k e s us question how are the m i a t e m connected? t o w mm -hmm. How? How? h y w How? How? How? How? How? How? How? h o o w How? How? h How? How? How? h o How? How? How? How? How? o w How? How? How? How? How? o w How? How? h ช่วยแก้วน้ำสติเป็นตัวบังคับแก้วน้าเข้าใจบางทีเจ้วน้ามันความบางทีมันหงายจะแรกก็เล็กคืออะไรโอเคสุถ้าเาตายแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันใช่ส่วนติส่วนใหญ่คนนอนจะไม่มีสติแก้วน้ำก็เลยคลืกไฟคือนถ้ามีสติมันก็นิ่งเข้าใจอย่านี้ตายแล้วก็ไม่มีสติคือคนไม่มีสติก็คือคนครบไม่มีตัวควบคุมใจ ใชนะ่เวลากลัวก็กลัวไปเลยเวลาเป็นบ้าก็เป็นบ้าไปเลย น, นี่แสดงว่าไม่มีตัวควบคุมใจอะงรไหงบอกต้งเลิกเพราะว่า very confused, อ่านเยอะทีทีแล้ใไม่งั้นนั่งนั่งสมาธินักหลอเลยชลั่วโมงครึ่ง<อ>ตั้งแต่ไป<อ>นั่งได้ครึ่งชั่วโมงทีไิ่ถึงสิบห้าทีหรือทำไมนานอย่างนี้ลืมตาหน้ามองสิบ้าทีเลย so I'm progressing and progressing ทีนี้บาดกํารือเปลาบาดไหม because I didn't ก็เหมือนกับคุณไปเดินทางผิดแล้วคุณรู้เดินทางผิดแล้วคุณ uh ยังจะเดินไปต่อหรอโอเค thank มากแล้วก็เหมือนองคุลีมานองคุลีมานก็สร้างสัจจะจะฆ่าคนหนึ่งพันคนพอ่าได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนไปเจอพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกว่าติดทางเขาก็หยุดนงแต่พวกเด็กยอดมากเลยหรือว่าถ้ามีอะไรแน่เพราะทุกคนนิสัย ดีมากนะครับ k n o can do <c oughs> ค่ะพ้อสเฉิดท์หมดเลยแต่มามาเจอคำสอนตรงนี้และตรงที่พวกพวกที่มาสั่งนะคะมันเราทำให้เราไม่มีศักดาอทีอนี้แล้วสมาธิอะครับพอาะ้อยกับสมาธิสมาธิก็คือจิตที่นิ่งไงจิตไม่นิ่งมันก็ไม่ใช่เป็นสมาธิคือเราเอาเป็นส่วนเป็นส่วนไปเลยจิตจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวคอย คอยควบคุคมถ้าไม่มีสติจิตมันก็แขว่งไปแขว่งมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้โอเค I think and then the last one ได้ยินเขาบอกว่าไทายนี่ถ้าถ้าเราสวดนต์ไทยเนี่ย If we say the word wrong that means something not nice ไม่ไมจริงผิดก็ผิดแต่มันพูดมันก็พูดผิดไ <c oughs> ด้สว <c oughs> ดอะไรบอกเกลดอะไรนั <c oughs> ่นกาเป็นเราเรา แช่งตัวเองมีหรือเปล่าคไม่รอกไม่เนาะก็ก็สวดภาณาหาอ่าเียวจะได้เป็นภาณาหารเนี้งดดหมคะคือที่ว่าคุณาลชื่อว่ารวมหมายถึงว่าเออนิงใช่ไหมคะคือนิ่งไม่ไม่ไม่คิดไปคิดจิตไม่ไปจิตรวมมยมันมันหลงไปเยไมิมันไม่ิมันมันไม่คิดด้วยแล้วมันรวมเข้าไปลงไปถึงต้นบ่ออย่างเงี้ย คือมันมันม <world> ันตกลุมตกบ่อวุบลงไปรู้เลยนั่งเท่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าตกลงไปแล้วมันหายและลืมตัวไปหมอย่างนั้นไม่ใช่มันก็ถ้าหายไปหน่วนก็หลับไงหลับบางคนก็เชืเหมือนแตนว่าเหมือนแต่ว่าถ้านั่งแล้วก็จะแต่ว่ามันจะหายไปแต่ว่าวุบและอีกทีก็ขึ้นมารู้อีกทีนึง ไอ้เงี้ยเรียกหลับไงหลับในถ้ามันถ้ามันรวมเป็นสมาธิมันจะไม่มันจะมันจะรู้ตลอดเวลาแล้วถ้าป็นญาต่างๆก็คือรวมกันอ่าอ่ามันเป็นรวมแบบมากรวมน้อยเป็นท่านๆไงการรวมนี่มันมีหลายท่านมีแปดท่านด้วยกันเก้าท่านด้วยกันหมายความว่ารวมไดนานแค่ไหนไม่มันรวมมากรวมน้อยเหมือนเหมือนแสงกันดวงจันทร์เนี่ยมัน มันมืดมากมืดน้อยแสงจันทร์มันมืดทีละเที่ยวทีละเทียวทีละเทียวไปจิดเวลารวมก็ลมลงไปทีละเทียวทีละเทียวสงบ ท, ทีละขั้นทีละขั้นนัแล้วงคนบอกว่าจิตสว่างม า, ามก็ <c oughs> มันเกิดความรู้สึกสว่างแวขึ้นมาภายในใจสว่างนี่ไม่ว่าเป็นแสงสว่างถึงคุณลองับตาดูสิคุองับตานถึงแสงสว่างเยมันก็สว่าง เร า, าหับตาดูเราต้อึกสายผ้าพิสดารมันก็วสว่างขึ้นมาครับแล้วถ้าไม่สว่างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอให้สงบใชนะ่ไหมขอให้สงบขอให้เฉยขอใ้สบายมีความสุขไม่คิดปรุงแต่งลืมเรื่องทั้งหมดเรื่องเรื่องอดีตเรื่องอานาคตเรื่องลูกเสียงกลิ่นรลเรื่องร่างกายนี่หายไปจากความรับลึม หลือแต่ตัวรับรู้อยู่ตัวเดียวผู้รู้อยู่ตัวเดียวจักแต่ว่ารู้ให้นั่งต้องห้าชั่วโงมงบางคนอยาเข้าไปเลยมันมันนั่งได้เรื่อยแต่ว่ามันนั่งแล้วมันขยับตัวบ้างเปล่าฮะที่มันที่มันนั่งได้เรื่อยเอมันไม่เจ็บปวเลยมันถึงนั่งได้รื่มไม่เลยขยับตัวเปลี่ยนทิทงบ่ยหเปล่าฮะ มันไม่นั่งทับเดียวก็เปลี่ยนเปลี่ยนท้าเปลี่ยนขาไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าที่มันไปได้รมันไม่ปวดเลยเพราะมันม่ันไม่มีสติมันนั่งใช้ขันติอย่างเดียวใช้ความอดทนจิตก็ยังคิดนูงนคิดนี่อยู่ก็คิดคิดแล้วก็กลับมาเวลานั่งไม่มีอะไรกับกับใจใช่แล้วดูตลอดเละ ดูแตบมันก mm. <t descrição> <LE G> ็ย <i po> ังไปได้คือมันมันถึงไม่รวมมันถึงไม่รวมถ้ามันถ้ามันดูถ้ามันไม่ไปถ้าต้องให้มันไปมันถึงจะรวมแล้วบางทีมันมันก็ไม่ไปมันก็อยู่ที่ตรงนี้ต้องพยายามอย่าให้มันไปให้มันอยู่ตรงที่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าอยู่ได้ต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะรวมแต่ที่มันไปได้ใช่ยากพอมันเลยมันก็ไม่เกิดควนมมัก็ไม่อยากออกมันก็เกิด อย่างนั่งไปยังสติยังไม่มีกำลังพอที่จะึงให้ใจรวมจะอาจจะนั่งได้เพราะว่านหนักนอ้อยคไม่อจงๆแต่ อ, อต้วนก อ, อาจจะนั่งได้เพราะามไม่มีความอยากจะลุกถ้ามันอยากจะลุกมันก็จะนั่งไม่ได้แต่มันไม่รวมท่านนี้แต่ว่าข้อตอนหัวค่ำเนย น, น, นะคะนั่งได้ เยามากก mm ็ชวงบมมันจะปวดจนไหนตึกมาช่วใจมันก็ไม่อยากล่างนะคะมันไม่ได้แต่เช้ามืดอากาศดีได้แต่ว่ามันนั่งหลับหรือเปล่าท่านนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจเอาไม่หลับเขาบอกตื่นตั้งแต่ตีสองไม่เคยหลักเอรู้ตลอดเวลาที่นั่งแล้วก็สบายหลบรักคอพัดไปไม่หลับรคนแก่แล้วจะไม่หลัอมันไม่เหมือน อย่างนี้ก็แสดงว่าสติยังไม่มีกําลังพอที่จะเลี้งใจให้เข้าสือกทามใช่หมให้รวมได้พไม่าะไม่เจริญสติใช้ขันติใช้ความหอดทนใช้ความไม่อยากลุกเป็นเครื่องมือมันก็นั่งได้นานคนเราถ้าไม่อยากจะทําอะไรมันก็อยู่เฉยๆได้ที่มันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันอยากจะทํานู่นทานี่ก็ยังถือว่าดีถ้าไม่มีความอยากก็ใช้ได้ ถ้าปฏิบัติเป้าหมายก็คือต้องการตัดความอยากทั้งหยดตัดได้มความอยากอยากอยากในนูนน่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นลอยากดูอยากน้อยลงเพราะว่าแก่แล้วะมากแก่าควกัน้อยลงเพราะมีอายุแ่มใกล้ตายแล้วก็ันก็ไม่มีความทุกข์กับอะไร มีไหมความทุกข์มันไม่มีความทุกขทุกข์กับอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรทำไม่ทุกข์ไหมมันไม่ได้มีเรื่องจะเป็นทุกข์เยอะหรกมันไม่มีเรื่องจะเป็นทุกข์แต่ว่าก็เราคงจะใกล้ตายค่ะถ้ากับความอยาเกินายออะไรกมันมากอนี้จะอยากอะไรกอ่งมันไม่มีความต้องการอะไรเอาก็ดีเยมันก็ได้อย่างนัเจะเอาอะไรกันไม่ต้องการอะไรแต่ต้องการที่จะวางใจอยากจะวางใจอ่า พอยากเวลาตายแล้วกอยในที่พระสูรที่พิมายุให้ที่อมายุพระสู่รวางใจก็วางใจไงให้วางใจวางแล้ววางใจอยากได้อนันต์าถ้าวางายมันก็จะวางใจมั่นใจไหมแต่รู้สึกว่ายุคัดเี่ยเพราะหัดคยุเยอะเลยเรื่องตัดไอ้พวกพวกนี้นะการวางการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการวางใจ วางสามีได้ป่ะวางลูกได้ป่ะเอขาคงไม่ค่อย่วเท่าไหร่ลูกลเขาว่าคงไาว่าคงแปลว่าะคราว่าคงแปลว่าก็คือหมายแปว่าดูแลตัวเองที่ว่าก็คงไม่ห่วงนี่หมาเขาว่าไงก็คือตอนนี้ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงคือไม่สนใจลูกคือไม่สนใจไม่ไม่สนใจแต่ลูกแต่ว่าตอนนี้อะ อาจจะห่วงหลานถ้าแล้วมันตกไปที่หลานเพราะลูกนี้ไม่สนใจแล้วครับกไ้อาจจะมาสนใจหลานบ้างก็อาจจะไม่ค่อยมารักเท้าไหรเป็นดก็ต้องต้องวางหลานด้วยถ้าอยากจะวางใจก็วางไปเยอะแล้วเพราะว่าก็ไม่ค่อยเจอกันบ่อยก็ไม่วางหม่คือคาว่าวางหมดไม่ได้เขาไม่ต้องเจอกันเจอกันก็ได้ นี่และว่าเจอเกักแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เจอเกันคือหมันเป็นหน้า ท, ที่เราจะต้องไปทำหน้าที่ของเราต้องไปรับไปส่งเป็นหน้าที่นะะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลแคือถ้าวางก็เธอไม่ไปกังวลกับเขาไม่ไปทุกกับเขาเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราทาอะไรได้เราก็ทาไปตอนนี้ก็ เยอะวัดพรน้อยอ่ะเพราะสมัยก <ừ> ่อนเขาจะจับก็จจต้องท่องหนังสือด้ว ย, ว ก, ย, ว ก, ย, ย ก, กัน <ừ> กอย่างนี้ก็ก็ให้เขาท่องเงไม่สนใจเหมือนกันก็เรื่องวางเยอะเออการวางใจก็คือให้วางทุกอย่างถ้าวางทุกอย่างใจก็จะวางใจเป็นทูบแบกการวางใจก็คือให้ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางว่าทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา มันต้องไปยุ่งไปวุ่นวายกับของอยากจะถามแตะกวเดี๋ยวก็น้องน้องถามไม่ได้ถามไว่ได้มาถามไว้คือคืออย่างนี้นะคะ I I really like to sit like this แต่มันไม่ได้เลยมันเจ็บแบบหมืนก็ใครมาหักขาไปนะคะเลย settle down with a verny style แบบนี้ แต่อันนี้ก็ยังไม่ยอมลงเขาเจ็บมาก So I took หมอนเพราะอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ไปเลยได้เป็นชั่วโมงโอเคไหมถึงทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ไม่ชี้แม่อะไรนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะ the four four f o u the four foundations I r e c i t e it now เกือบได้หมดแล้วแต่ o I'm not your version I took the shorter version แต่แต่คือผสมกันไงครับ and then what I do is w h n e s a the purpose of sitting is that first four or five sentences, yeah, and yeah. then I go the body. So i the n e breath, when I am just m e d i i I repeat what it says in, in the Patibhidok itself. i s okay, okay. So right now, I really don't have to worry about lung, uh, body. I mean, you say meditating the 32 parts of the yeah. body, all the stuff. Only if I get really, really settled, that you may r u l m yet. Can I s t a r thinking t about it? You should. Oh. If you, if you sit to, to get your mind concentrated, you should not think. Okay. okay. You, you should do it afterwards. Afterwards. Do okay. it, do it other time. Okay. When you're not sitting, you can c o n t e m p l e on the ball. Okay. Why? Right. Right. Yes. w e n I'm not in a state, you, you, you want to i v e your mind a rest. Ah. If you think, it will not be. แต่ที่เราท่องก่อนหน้าเนี่ยป็อการให้มันลมแของมันไม่ใช่จำแบบมันเป็นเพื่อให้เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอ๋อนี I can e c i e while I'm trying to if I get get lost ถ้าอยู่ไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้อยู่ก็พยายามนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่ลมหายใจได้ถ้าลึกว่า So I remember t s e จะดึงใจไม่ให้ไปไม่ใหนู่นไปนี่ ใมมาอยู่ที่นี่เพะมันกลับมาอยู่ที่นี่ก็มาดูลมสอ่อถ้าดูลมได้ก็ดูลมถ้ายังดูไม่ได้ก็ท่าไปก่อนเนี่ยไอความเกดความหยุนี่นะค ะ, ะพวกข้อพระมันเกิดอีกนิดเียหลังกเดือนเนี่ยหายแน่พราะพวกเขาหายแล้วไปได้ล้งปลีเหมอนก because เวลาเข้าแถวคือถ้าใครทำอะไรที่ไม่ถูกะ That's my problem I'm always like a judge ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกเราต้องบอกเขาอ่ะเหมือนเด็กเวลาขึ้นรถ BTS ชอบไปเกาะใไปตรงปริเด็นที่มันเปิดไม่ด้เราเห็นแล้วเราก็เสียวราต้งบอกว่ไม่ควรเกาะนะถ้ามันเปิดมันเปิดมาแล้ว So is that okay? I mean intruding ไหมคะก็ต้องรู้ก็ต้องดูว่าคนที่เขาบอกให้เราบอกเ็ายินดีฟังเราหรเ่าเราบอกเขาไปเดียวก็จบแล้วออจบแล้วก็จบไปแล้วใชคะเออ แล้วก็อันนี้อะครับอยากจะถามเพราะเราทำมาหลายเที่ยวและไอซึ่งการ making and amplify ด้วยน่ะคือตอนล้างชามเนี่ยเขามีมีกะละมังกนะละมังฉนั้นสองอันแรกกับ น, น้ำเปล่าอีกสองอันก็ล้างเป็นสบู่แล้วก็ไปล้างน้ําปล่าอี ก, กับสีกะละมังทีนี้เด็กคนนี้ยอยู่ข้างๆเรานี่ยเกิดไม่อยากรอซูชิจัตเวนไรคือไม่ล้างฉุบไงฮะะเอาแต่น้ําก็ไปเลย <c oughs> แต่วันนี้หนูต้องทำทอ่นี่โอ้หนูไม่รู้ค่ะก็เลยเดินต่อไปนเรี่ย So you one more you're gonna I said if I see you that one more time see get that คืนจะบอกเลยเพราะมันมันมันมัน affect everybody You're dirty I I don't want to use you r dirty spoon ร so ู้สังไหมคะ So I don't know should I or shouldn't I just let her ก็มี consequence ถ้าไม่อยู่ทำอะไรไปเดี๋ยวก็ได้ตีกันแน่แน่ใช่ไหมคะถ้าปล่อยเขาไปถ้าอยู่ไม่อยากจะตีเขาก็ปล่อยเขาไปมัปล่อยมันก็มี consequence มันก็ทำให้ น้ำสกปกอะไรสกรปก uh huh. รเอ่อ uh huh. ดิฉันยก็ต้องช่างน้ำหนักด้วยว่าอะไรอะไรควรไม่ควร uh huh. แต่ถ้าอยู่ที่ว่าอยู่ลอปฏิบัติช่วปล่อยวางอยู่ได้ต้องปล่อยปล่อยทุกอย่างโอเค a l r y t h e I t t l e o t h e อันนี้อะรตอนนี้อยู่กาลังฝึกปล่อยอยู่เห็นอะไรปล่อยไม่หนคนมันจะกระโดดตึกก็ปล่อยมันจะกระโดดตึกโอเคมันจะหัวชน้าก็ปล่อยมันหัวชนศาแล้วเมื่อไหร่มก็ปล่อยมาต้องปล่อยมันหมดทุกอย่างถ้าคุณอยากจะ ก็หัดปล่อยก่อนถ้าปล่อยได้ก็ต่อไปไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> ต่อไปใช่เหตุผล <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เรายังปล่อยไม่ได้ต้องหัดปล่อยให้ได้ใครเขาจะทำยังไงดีชั่วก็ปล่อยไม่หมดไม่ใช่เรืองของเราแม้แต่ก็จะฆ่าเราก็ปล่อยกาฆ่าเราถ้าหลบไม่ได้ก็ยอมตาย <laughs> ถ้าถึงขั้นนั้นนั้นทิ้งสบายแล้วท <Okay. S 1> ีนี้ต่อไปก็จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ okay. so one step ahead ถ้ามันปล่อยไปแล้วมันก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครปล่อยแล้วมันสบายกว่าถึงถึงได้ไม่ไม่ไมอยากยุ่งใครไม่ครบคนบา้านคนเดียวที่สบาย The only one แต่ยิงนานยิงครบคนน้อย ตอนนี้กําลังขาดปล่อยงั้อย่าไปยุ่งกับใครดูออะไรจะเป็นยังไงปล่อยหมดน้ำจะท่วบ้านจะไหม้ไฟจะไหม้อะไรปล่อยทิ้หมดอห้องต้นริ้งเละประเทศเลยปล่อยหมดทไหนที่ยังทําได้ก็ทําไปทําน้วไม่มีเรื่องมีราวกับใครก็ทําไปเช่นไฟจะไหม้ก็หยุดได้หยุดไฟไหม้ได้ก็หยุดไไป แต่ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วมีเวรีกรรมกับใครอย่าไปทำอย่าไปยุ่งนี่ก่อนนะฮะปล่อยให้ได้ก่อนปล่อยได้แล้วรู้สึกสบายเห็นใครก็ทำอะไรเฉยได้สบายอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ปล่อยได้แล้วคือเราเราคิดว่าเออ I need to tell them what they have done wrong you need to get in line and not cut the line you know if you ask me first I'm in line that's what I told her <c oughs> อยู่ต้องถ้าอยู่เป็นเป็นคนคอยสอนคอยสั่ก็บอกก็ได้เคยเป็นครูมากออ่อนแต่อตอนนี้ไม่ได้เป็นครูเป็นนักเรียนมื่อกันก็อยาก <c oughs> ทำนี้มีมีอะไรไหมนี้มีอะไรมอยากถามถาถาค่ะมีคนบอกว่าปฏิบัติธรรมนะต้องีสุาบายาเราก็เคยถกเถียงกันนะคะ เรวก็เลยบอกว่าอาจารย์เราก็ก็คือพธธระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติาตามคําสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกกแต่ก็ปฏิบัติก็มีความเชื่อเองก็ก้าวหน้าแต่ก็ยังติดอยู่ในใจว่าจริงเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่แบบสักคนที่เราแบบตามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่จําเป็นหรอกพระพุทธเจา้าหนังสือธรรมะนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ไนดะ้พระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเวลา พ, พาระพุทธเจ้าไม่อยู่ธรรมะของเราจะเป็นอาจารย์ของเธอต่อไปคําสอนของเราจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไป เห็นถ้ามีคำสอนของพระเจ้าก็ถือว่ามีอาจารย์แต่ว่ามันมีความแตกต่างกันถ้ามีอาจารย์ที่ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันมันจะง่ายกว่าเพราะว่าอาา่านหนังสือของพระเจ้านี่มันต้องอ่านหลายเล่มกว่าจะเข้าใจพาทีมีปัญหานี่มันไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหน แต่ถ้ามีอาจารย์ที่ปฏิบัติฐาน ม, มีความรู้มีปัญหาอะไรไปถามท่านอย่างวันนี้มาถามเนี่ยอย่างนี้ก็มาหาอาจารย์กเนี่ยอยู่บ้างก็ได้มีหนังสือเยอะแยะนี่แต่อาา่านแล้วมันยังหาคำตอบไม่เจอแต่ถ้า ม, มาที่นี่มันได้คำตอบมันเร็วกว่าอาจารย์ น, ะยนั่นถามว่ามีอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี่ได้ ต้องมีหรือไม่มีไม่ต้องมีก็ได้มีก็ดีแต่ก็ต้องระวังเดี๋ยวเกิดไปเจออาจารย์ที่หลวงอกีกก็ก็สวยไปอีก <c oughs> ยังไงก็ต้องอาศัยอ า, อาจารย์อาศัยพระเจ้าเป็นหลักไ้ก่อน <c oughs> พยายามอ่านคำสอนพระเจ้าไว้มากๆศึกษาคําสอนพระเจ้าให้มากๆแล้วเวลาไปศึกษากับอาจารย์คนอื่นจะได้รู้ว่าเขาสอนถูกก็สอนไม่ถูก เย่างนี้ก็พอเขาฟังปั๊บเขาการู้แล้วไม่ใช่ไหถ้าเป็นบรลุเป็นนม้พายแล้วต้องตายภายในเจ็ดวันเนี่ยเขาฟังแล้วเขาบอกไม่ไม่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันกบอกว่าผู้รู้อยู่ที่ที่สติกสองอันเราเลยมีนะแต่แต่สายเดียวกันหรือมั่นนะถ้าเป็นกตรสายเดียวกันแต่มันไม่ได้ปฏิบัติมันก็มันสายแต่เชื่อไสายแต่ชื่อแต่มันไม่ได้สายที่ที่เนื้อ I think h e s mainly on meditation because when he when he talk late hair you know I mean so but I I don't want to say anything to the kid เพราะมันไม่รู้ป่าไม่มามาพูดมาพูด like I'm criticizing ต่ออรหันต์แต่ไม่รู้อรหันต์หรอคะแค่โน้ยกี้แต่แต่เปล่าไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอรหันต์หรือเปล่าเราสิ่งที่เราพูดมันไม่มันไม่ผิดมันมีจะบาดตรงไหน ถ้ามันสิ่งที่เราพูดมันผิดมันก็มันก็ทําให้ยิ่งสับสนกันใหญ่มันก็อยู่ที่ว่าเราพูดเพื่ออะไรเช่นเขาเป็นพระอาหนานเขาสอนถูกแล้วเราพยายามไปพูดว่าผิดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีพอะเราคิดเราพราะเราคิดว่าเขาพูดผิดแต่ความจริงเราผิดเองแต่เรากลับไปคิดว่าเขาผิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ดี คาว่าบาปไม่บาปมันคาว่าบาปนี่มันอยู่ที่ห้าข้อเช่ไหมคุณค่าเขารู้เปล่าคุณลักทรัพย์เขารู้เปล่าคุณมาพูดติดตะเวนนี้รู้เปล่าไม่อย่างนี้สิเรียกว่าบาปคุณโกหกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําข้อเหล่านี้มันไม่บาปมันเพียงแต่ว่ามันควรไม่ควรรู้เปล่าเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อไย่ไปลบหลู่ ปล่อยเขาไปก็อยากจะพูดอะไรเขาอยากจะสอนอะไรก็ปล่อยก็สอนไปถ้าเราไม่เชื่อเขาเราก็ไม่ต้องไปเชื่อเราไม่ต้องไปต่อต้านเขาไม่ต้องไปลงะไรปล่อยวางเออ <c oughs> ปล่อยวางแล้วอย่างเราปฏิบัติแล้วคะ่ะันคือเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนนะคะคอยแบบสอนกันบ้านสถาน ะ, ะว่าเราถึงไหนยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าก็ปฏิบัติไปนั่นแหละถ้าถูกค่าต้องทำไปเรื่อย บางทีปฏิบัติไปบางทีคุณก็อา จ, จะได้ไปเจอทางตันเข้าคุณก็อยากจะรู้จะไปไงต่อบคุณก็ต้องหาคนที่ก็รู้ทางว่าพอถึงจุดนี้แเราจะไปตรงไหนต อ, อบเพราะปฏิบัติมากี่ปีกี่ปีมันก็จุดมันก็หยุดหยุดตรงจุดนี้อคือมันไม่ไปก้าวหน้าไปกว่า น, นี้ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่เขารู้ทางมาบอกว่ามันก็ไม่มีทางไปอานหนังสื อ, ท, ท, ท, ท, อที่เกียหนังสือพระเจ้าก็ขี้เกียจอ่าน เหมือนก็เลยมันต้องมีอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งถ้าไม่มีหนังสือธรรมะของเจะเจ้าก็ต้องมีคนที่อาจารย์ที่เขาบรรลุธรรมนะไม่งั้นคุณก็จะไปยังไงแต่ถ้าคิดว่าคุณไปได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีใครบอกก็ไปก็โอเคเหมือนคุณขับรถไปหาทางไปเดินทางไปสถานที่นี่ถ้าคุณขับไปแล้วคุณรู้จักทางไม่ต้องถามใครคุณก็ไม่ต้องจอดถามทางใช่ไมแต่ถ้าคุณไปถึง เห็นตรงจุดหนึ่งแล้วไม่แน่ใจแล้วไปถูกหรือเปล่าคุณก็อาจจะจอดแล้วถามปั๊มน้ำมันหน่อยว่าทางนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนไปถูกทางหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันพอคุณปฏิบัติไปแล้วคุณคิดว่าคุณรู้ทางไปคุณก็ไม่ต้องถามใครแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่แน่ใจคุณก็ต้องถามเข้าใจไหอมี อ, อันนี้ครับคือคืออันที่เราเรียนแล้วคิดว่าได้ผลัต่อยากจะ I need to check with you because now I'm not so sure what h i s t e a c h e r u uh, mm h -hmm. ค <laughs> ือค d อท่าน h อกว่าพอพออะไร d ุยโทรศัพท์อะอยู and then ท o ทีนึ่งชั่วโมงก h พออย่าทำเยอะเท่า and then <laughs> and then and then he said to pick out five points จมูกหน้าผากสะดือหัวใจ เพื่อที่จะตั้งสถานจิตแต I haven't done any of that I've just been breathing in and it's all here พระอาจารย์บอกเปล่าอนาปนสติ้บอกน I I don't I haven't heard it about five points แล้วคุณเชื่อคเดียเชื่ออาจารย์นแต่ีี้ความรู้สึกคืออย่างนี้นะคะคิดว่าคว่าพลังจิตนี่อาจจะอาจจะใช่ because I now I start to sit down I could feel it here. Hmm. So, like I got something here. I don't know. And then, then, e n then, then, then, then, then, then, then, t h e t t i n g h e n then, t h e then, s h e n then, t h e then, g h e n e n then, then, e e n t n t h e then, t h t h e e t e s then, e e n e n h e n then, e t h n then, then, e t h t h n t h then, t e t e t n g h t h e then, n then, t h e then, t n t then, e e n t n then, then, h then, e e n t n then, then, t h e t t t h พลังไม่ต่อสู้กับความโกรธนะอ่ามันต่อสู้กับความอยากอ่าไม่งได้หมายพลังจิตว่าโอ้มีแสงออกมาเห็นเทวดาวอันนไม่ใช่พลังจิตนี่พลังจิตนี่พลังจิตไม่ต่อสู้กับกิลเลสโอเ ค, อเ ค, อเคแล้วยิ่งนั่งยิ่งนานยิ่งยิ่งพลังจิตยิ่งมากกำลังยิ่งมากเหมือนชาร์จแบบตชาร์จคึ่งชั่วโมงกับชาร์จชั่วโมงนึง อ, อันไหนมันจะมากกว่ากันแต่เรนั่งสมาธินี่ก็เหมือนชาร์จแบต จิตแล้วก็เป็นเหมือนแบบแไอ้อนนั่นเนีมนอ้อย่ I mean, I นเงยคุยวก็ธรรมดาไอ้นอนคือฝกแต่ถ้าใส่ขัดต่อมา้วก็พุดโเนี้ตรงนี้มันมันแบบ something is happening here like ก็รู้ไปเลมันเป็นะบบก็รู้ไปวามความสงบออโอเคพนะลังจิตโอเคอยาเสียงนิดนไงนนไหนีห่อะไรวะ หนูลองส่งกันบ้านเลยแมะอตสองวันเลยนี่เข้ามาส่งกันบ้านยังคือคือคือหนุนปฏิบัตินท่านกล้าค่ะที่ดูความสึกที่เกิดขึ้นเกิดารนะคะแล้วที่มีสะอนที่เกิดขึ้นไปต่อค่ะก็คืออย่างคร้แรกมันเหมือนเหมือนแท่งเหล็กอะไรเนี่ยค่ะที่พุ่มมาจากเท้าค่ะมัก็ส่งมาถนเข่าค่ะแล้วมันก็จบไปแต่ครา้ที่สองที่หนูไเที่องอะคะมันก็แบบ คือเขาจะให้แบบให้แทนทะลุไขสันหลนะคะ<อ>แล้วก็เหมือนจะแทนทุกตัวนะคะวาจริงเวลานั่งนี้ไม่ควรที่จะไปไปไปไ ป, ไปทำให้มันเกิดอาการเหล่านี้นขึ้นมามันไม่เป็นธรรมชาติแน่ควรจะปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วควางสุขที่ควรจะรู้ก็มีอยู่สามตัวทางคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ แล้วก็ให้รู้จักปล่อยวางความสุขทั้งสามนี้คื อ, อย่าไปยึดไปติดเช่นเกิดความสุขขึ้นมาก็ อ, อย่าไปอยากให้มันสุขไปตลอดเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากสุขมันก็กลายเป็นมาไม่สุขไม่ทุกข์พอไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันสุขถ้าอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามันไปเป็นความทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหาย พออยากให้ความทุกข์หายมันก็เกิดความทุกขึ้นมาคือปฏิบัติเพื่อให้ใจไม่เกิดความอยากกับเวทนาทั้งสามพออยากนะเวลาสุขก็ปล่อยมันสุขไปเวลามันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเวลามันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไม่สุขไม่ทุกข์ไปพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่มันจะทุกข์ใจขึ้นมา การปฏิบัติการพิจารณาเวทนานี้เพื่อดับความทุกข์ใจที่เกี่ยวข้องกับเวทนาแตนะ่ที่ถามคุณโย ว, ว่านั่งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันเจ็บไหมพอไม่เจ็บอยู่กับมันได้เจ็บก็อยู่กับมันได้แนะสดงว่าใจไม่มีความอยากที่จะไปเปลี่ยนมัาเนีนะ่ยนี่คือการพิจารณาเวทนาควรจะทํานี้ไม่ใช่นั่งแล้วก็จินตนาการว่ามีหอกมีแหลมเดี๋ยวไม่ไปเจอของจริงอะ่ะเดี๋ยวเวลาเจอหมอเวลาไปหาหมอผ่าตัดมันก็รู้เองอะ่ะ มีเคปแล้วมันจะจีดสักชั้นให้ลองเข่าไปพอทําเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับท่านหนกายหายไปแล้วเหลือแต่หัวเลยอยา่างเงี้ยเขาอาจจะให้เราซ้อมก่อนว<ช>่าเดี๋ยวคราวหน้าเวลาไปหาหมอหมอเขาจะเอาคิปเอาเอาเอาเข็มฉีดยามาฉีดเราเราจะได้เราจะได้ทําใจเฉยได้ได<ช>คือ<ม>เป้าหมายก็คือให้เราใจเราวางเฉยปล่อยวางไม่ว่าจะจะเป็นความเจ็บในรูปแบบไหนก็ตาม มีห อ, อกมาชิ่มมาแทงเราก็เฉยมันรู้เฉยเฉยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายห อ, อกมันแทงร่างกายเราเป็นจิตเราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปทันเองเราไม่ได้โดนหอบแยกอยกจิตออกจากร่างกายคล้ายทำอย่าง น, น, าานี้ก็เป็นการสุดฝึกซาอมให้เผื่อเดี๋ยวต่อไปไปเจอเวทนาที่เราไม่ปราถนาเราจะได้ทำใจเฉยได้ เพราะนั้นเนี่ยความหมายอย่างการเศึกการสึกเวทนานี่ก็ส่วนใหญ่ก็ดูดูที่ตัวทุกข์ที่ทุกขเวทนาเป็นหลัเพราะเป็นตัวที่เราไม่ชอบนะศึกเวทนานี่เราอยู่กับมันได้ไม่สุขไม่ทุกขก็พอยจะอยู่กันได้แต่พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่แหมมันมันเดือดร้อนขึ้นมา่นเวลาทุกขเพไม่ได้กินข้าวนี่มันก็เดือดร้อนน้องอดข้าวด้วยถ้าอยากจะเจริ ทุกเกเวทนาก็ลองอดข้าวดูนะหรือลองนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บขึ้นมาปวดสนาแล้วก็เนี่ยตอนนั้นถึงจะถึงจะถึงจะใช้วิธีฝ่ายวางด้วยวิปัสสนาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่เราไม่ไปร่ถ้าเราไม่ปะยาดให้มันหายเราจะไม่ทุกออให้รู้อย่างเดียว รู้ทำเห็นจะทิปหรอให้ทำให้ทำจิตเป็นกลางไงนะเนี่ยทําจิตเป็นกลางทําจิตให้ตายไงคำว่าทําจิตให้ตายก็คือไม่ให้มันแอคทีฟไม่ให้มันรีแอคเข้าใจไหมธรรมดาจิตเรามันจะรีแอคมีอะไรมาสัมผัสต้องมันจะตอบโต้ทันทีมันจะมีอารมณ์สัมผัสรับรู้แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายอยากให้มันอยู่มันก็มีสองตัวเนี่ยภาวะตันหากับวิพากษ์ตันหา ถ้าสุขเวทนาขึ้นมาก็อยากให้มันอยู่เป็นนานๆถ้ทุขกขเวทนาขึ้นมาก็อยากให้มันหายไปเพราะถอยความอยากไปมันก็เกิดทุกขขึ้นมาอีกส่วนทุกขในอริยสัจสี่เนี่ยตัวนี้ที่เร า, าลงมัติบัติเพื่อต้องมากำจัดก็คือทุกขในอริยสัจสี่ทุกขในร่างกายนี้ไปกาจัดนั่นไม่ได้ตราบใด ย, ยังมีร่างกายนี้อยู่แ ต, แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องทุกขกับร่างกายมีความทุกขในร่างกายแต่ใจของท่านไม่ทุกขกับมัน เพราะท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจคือหยุดความอยากไม่ให้ไปอยากให้ความทุกข์กของร่างกายหายไปประเด็นมัอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้ไอ้วัดในการรูว่าปฏิบั ต, ติที่ถูกทางหรือไม่ก็ไม่ทุกข์กับมันไงเวลาเจ็บก็เฉยยิ้มได้สมาเวลาใครด่าก็เฉยเวลาใครแก้งเรา ตอนใช้ัดข้าวกินก็เดินมาแยกงตะกเอากับข้าวไปก่อนเฉ้ได้หรือเปล่าเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าจ่าเป็นการกับทุกทุกเหตุการณ์ได้หรือเปล่า <c oughs> ตอนเนี้เสียงดังเฉยกับมันได้หรืเปล่ามันจะดังก็ปล่อมันดังไปแล้วก็คุยเราฟังใครชมก็เฉยได้หรือเปล่าหรือใครชมแล้วก็ยิ้มแป้ง <c oughs> กายกิ้มไงกาแสดงว่าไม่เฉยนะใครด่าก็หน้าเบื่อเต้นขึ้นมาคือมันต้องอยู่เฉยอยู่เหมือนกับว่าเหมือกับเวลไม่มีใครด่าไม่มีใค ร, มมใครชมสน ใ, ใจนะนี่เขาใจยังต้องมีคูไม่ต้องมีคูดีมีครูก็ดี น, นะแล้วมีคนสอบ แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ครูมานั่งจมกับนั่งสมาธิกับเราเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้มีครูมาพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิไม่ใช่ครูแบบนั้นเราต้องเป็นครูของเราเองเราต้องบังคับตัวเราเองให้นั่งให้เดินแต่เวลาเราติดปัญหาเราไม่รู้ว่าเราจะแก้อย่างไงหรือเราไม่รู้ว่าจะทํา จ, จะปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องไปถามคนที่เขาเคยปฏิบัตินะเห็นว่าทําตอกข้าวเนี่ยเราจะทําแกงส้มเนี่ย แต่พอทำออกมามันไม่เป็นแกงส้มก็ต้องไปถามคนที่เขารู้ว่าวิธีทาแกงส้มนี่ถูกเป็นยังไงเข้าใจไหมายอยูา่ า, านฉะานบ้านฉ า, านไมาแล้วมีอะไรเปล่าันนี้ข้าข อ, อย่างเดียวเลยมีนนะือไีดีหยิบได้เหมอนน้ ย, นะยัง้อง น, นี่ก็ไปเก็บแล้วง S <S <S วางาไว้แล้เลยวางาของมันหนักเลยที่เกียนลักกับมือเขย่ะของวางไว้สือว่าของนี้ได้ประเด็นหน่อยะงไว้ตรงนี้แล้วต้องาการะิสีดีก็หยิบได้ยอมต้องาการอะไรก็หยิบได้ มีภาษาภาษาอังกฤษเล่นที่สอได้อย่างไอยงจะมาขอคือคืออย่างนี้นะคไปเจอหนังสือนมต้เย็นนน้เย็นอ่ะเอาเนอเย็นาออเฮอ่าเดี๋ยวกันงเดี๋ยวตอนิดท้ายก่อนเดี๋ยวเดยวอนี้ไต้องเดี๋ยวมันปวดฉี่ใเลิกก่อนใช่เดีคือคือหนังสือต้นเนี่ยไปเจอ อัลไลก์กับโกลมายเนี่ e เนี่ยหนังสือเต็มไปหมดในหนังสือธแต่อันที่เป็นของอาจารย์นะตอบปัญหาขาใจใช่ค่ะหาคาใจมีหนึ่งถึงเจ็ดเขามีสามเองสเรื่องแล้วไปติดต่อที่โรงพิมพ์ที่โรงพิมพ์อยูที่ไหนคะในหนังสือเพอาอหนังสือเก็มีเก็บเขามีเก็บไว้อยู่ถ้าไม่มีก็ต้องดาวน์โหลดต้อาวมีดาวน์โหลดก็มาถาเนี่้มีเก็บแรื่ดาวน์โหลดได้ พ่อมีแต่คำตอบกับคาถามอทุกเล่มเลยเออกํากำลังทำเล่มที่แปดอยู่จะกอัำลังทำเล่มที่แปอยู่นะคะอ๋อแล้วเล่มที่แปดนี่ยังแจกที่นี่หรือเปล่าคะยังไม่ทิมยังไม่ได้ทิมยังไม่ได้ทิมกาลังจะทิมใช่ไหมคะกำลังกำลังจะทิมอยู่ดีมากค่ะถ้าอยากจะดาวน์โหลดก็ให้ยกส่งดาวน์โหลดลิงก์ไปให้ก็ได้ดาวน์โหลดหมดเลยก็อ่านแล้วชอบมาเพิ่งเจอเมื่อวานนี้ ถ้าอยากได้หน <fry UC> ังสือก็ต้องโทรไปที่โรงเรียนเขาส่มากจะมีสต๊อกเก็บไว้ให้ค่ะจเลยค่ะอ่ะหนังสือเราสอเข้าใจเข้าใจง่ายหน่อยนะคืองไมต้องแปของของของอาจารย์เนี่ยสบายมาก explain Thai เหมือนกับคนที่คนแทบที่กันจันทละเคยได้ยินชื่อท่านนะคะใช่ครับใช่ครับ in plain English m แม่ที่ <laughs> uh, and then you teach very similar, and I like his book. I, but t h e only of o I o t u t f e a h g i o o m c h s o v e r i c have o a t i e a e t r a c t i a to r i c e o r a i e a to p a o t i h a to p i e have to a t e w a e p c i to i c o r a t a t p i have to i e We a o r i t a c t p o o r a c t i a v w o r i have a t e e c to i kind o of you know, a p to p o r a t h a t w o r e ก็ตอนนี้ก็ทําไปเท่าที่เราทําไปได้ก่อนโอเคอย่าอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันไว้เวลาที่เราต้องการได้ผลมากๆเราก็ต้องลงทุนอยากได้ผลมากๆได้ผลมากๆก็ต้องแก้ปัญหาต้องอดข้าวดูใช่ค่ะอันนี้แย่างมากเราจะใช้ก็ชิบหายกันไปอ่ I have to stop that ทำให้มองนอนโอเค มีอะไรไมาจากที่ไหนปะเทศมาจากเทดตรงว่ามาท่านอ้วยตรงไ้อ่านหนังสือการันีก็เลยอยากมาเจอท่าก็มีหนังสือมซีดีใหม่เนีมีแล้วค่ะมาได้ไม่มีคำถามอะไรไ จะเริ่มปฏิบัติแล้วค่ ะ, ะได้แค่อ่านแต อ, อ, อเริ่มดูแผนที่มานานแล้วต้องออกเดินทางได้แล้ว <c oughs> ถ้าไม่เดินทางมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางการอ่านนี่เป็นเหมือนกับการเปิดดีแผนที่ยังนะอยู่ที่เดิมอยู่เพียงแต่รู้อะไรเพิ่มขึ้นรู้จักทางนะทีเขารู้จักทางก็ต้องออกเดินทางถอาเดินทางเดียวเดียวก็ถึงถ้าไม่เดินทางอีกรอยปีก็ไม่ถึง อันนั้นช่วยช่วยวางบูชาไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องประเิเออยช่วยวางบูชาไาการอะไรก็หยุดได้นะของหง้ตามารวกรณีเนียเป็นผู้ได้ ไ, ไ, ได้ได้ตรงไหนก็ได้ทานนั้นนะัน อ, อ, อ, อนได้ฝั่งเทปเอ่อ ของอาจารย์ขอถามอันนุสิทธาคือถามเยอะแยะเลยถามเลยก็กกมาเอาให้คุม้มกรุง <c oughs> เทพเองคือคื อ, คอวันนั้นได้ยินว่าจิตกระจายอันนี้อธิบายว่าจิตจะทวัดใจแต่เรเราก็จำไม่ได้อ่าคือจิตเข้าจะพูดเถี่ยวกันเรื่องความคิดตรงแสงถ้าจิตจิตคิดใจรู้คือ ตัวจิตใจนี่มันมันมีหน้าที่สองหน้าที่หลักไงคือรู้กับคิดนไงเวลาคิดนี่เขาเรียกว่าจิตเวลาลูก็เรียกว่าใจผู้รู้ไงผู้รู้ก็คือใจจิตนี่จะจะสงบกว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สงบไม่สงบมันไม่เกี่ยวสงบไม่สงบคือใจเวลาเราพูดถึงตัวรู้เราจะเรียกว่าใจเวลาตัวคิดเราเรียกว่าจิต แต่บางทีกาก็สลับกันก็ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรตายตัว so i mean i should just forget it j u เจสว่าเป็นจิตใจใช่นอนเลยมั้งใช่ใช่แทนกันได้ใช้แทนกันได้จิตใจก็คือตัวรู้ตัวคิดแต่มันตัวเดียวเหมือนกับร่างกายมีร่างกายอันเดียวแต่มีตาหูจมูกนิ้วกัด แ ต, แต่ยั ง, งต้องศึกษาอะไรนามกายรู ป, ปกายนามรูปนี่แปลว่าที่พัดได้จับได้สัมผัสได้ใช่ไหมล่ะมันนามแปลว่าเป็นพวกขันห้าเ อ, อ <Okay S 1> าไปขันสี่ขันสี่รู ป, ปรขันคือร่างกายอนามขันคือความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกความจําได้หมายรู้ความรู้สึกนึกคินี้เรียกว่านามพราการที่เพจะวนก่อนเลยต้องไปตั้งคำใน ส, มสมี อ, อ ฐันห้าคือตัวประกอบของร่างกายของชีวิตเราไงชีวิตเรานี่มีห้าส่วนแต่เราเห็นเพียงส่วนเดียวเห็นส่วนร่างกายส่วนที่เห็นนี่เราเรียกว่ารูปประคันส่วนที่ไม่เห็นก็คือนามปัะคัคือความคิดความรู้สึกความจำได้หมายรู้แล้วการรับรู้ not not p h y s i a l not not physical mental นามนามก็คือ mental รูปก็คือฟิสิก็่รเซปนเนียปชันเนีก็นามเลยน้องเซัก็คือความรู้ความจำได้หมายรู้เป็นตัวไหนฮะตัวตะางนาขัาหังาก็คือความคิดปรงแต่งเวทนาก็คือความรู้สึกเล่นยาณก็คือการรู้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นรู้อ่าน e ็เลยมันของเดิ e เ e ิมเดิมเดิ The the the the thing you see, the thing you hear, อัน I h mm -hmm. e mm -hmm. right. to remember all of this. No. no? Okay. <laughs> uh, i o y I c t really k w t it s h a Just k o w o w l n o w k n w know I know I know n o w e n o w n o w know o w n o w know k w o w k n o n o w n o w know know o w l o o w n o n o o know k n o n i w n o n o k o know w n t w k n o o know k o know t o know k o n o know know know w o w know know know o n o w k n n o n o o n o n o n o n know หัวหน้ามันมีมันมั น, ม, นมันทํางานร่วมกันเป็นจ <Right. S 2> อยเวนเชอร์อะไรอ่างเงร่างกายนี้ร <the> ่างกายมันมีตาหูจมูกเ uh huh. ล่นกาย uh huh. วิญญาณมันก็มารับข้อมูลจากร่างกาย uh huh. เวลาตาเห็นอะไรวิญญาณก็รับความรู้นี้ก็ส่งไปให้ใจ uh huh. ใจก็ใจก็มีสัญญามารับต่อว่าเป็นรูปอะไรรูปของแมรี่หรือรูปของหยกอะ uh huh. แล้วก็ uh huh. แ ม, มรี่ก็ รู้แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วเป็นมิตรแล้วเป็นศัตรนะูถ้าเป็นมิตรก็เกิดกูดซีริงขึ้นมานะถ้าเป็นศัตรูก็เกิดแบทซีริงขึ้นมาพ อ, อเกิดซีริงขึ้นมาก็เกิดสังขารทําไงดีถ้ากูดซีริงก็เดินเข้าหาถ้าแบทซีริงก็เดินหนีดีกว่าถอยดีกว่าเนี่ยคือทํางานของของขันห้ามันทํามันทําร่วมกั น, กนถ้าขาดจริงใดจริงหนึ่งไปมันก็ทําไม่ได้ เช่นตาบอดแบบนี้ตาบอดไปวิญญาณก็ไม่รอบรู้ภาพแล้วนี่เห็นใครมาใครมาหาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเช่นเส้นลัทธินาสิมีคำถามนี้อันนี้เก่ามากคือคือลืมทุกทีตายคืออันนี้คิดว่าพวกคุณคนจะคงสนใจนะครับคือว e ท a l k about พอพอเรา่างกายมันตายไปแล้วใช่ไหมคะเอาวัยวาณก็อยู่ตรงนี้หมดแต่จิตมันไปแล้วจิตเห็นหนะคะฮะ when you die and and then you n ว่จิตันอยู่เนี่ย you can you see มันมันเห็นผ่านทางความจาสัญญา so you you don't see anything new it's just everything that sort of เหนเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนอนหลับคุก็ยังฝันใช่เวลาคุณฝันคุณก็เห็นนู่นเห็นนี่มันเป็นสัญญาสังขารทางานอยู่แต่อน สั ญ, ญาสงสรวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่งางกาย uh huh. เมื่อมันไม่วิญญาณไม่สามารถรับรับข้อมูลจากร่างกายได้มันก็อาศัยข้อมูลเก่าที่มันเคย uh huh. จ่อไวเป็นเหมือนเทปที่อัดไว้มันก็ใช้เทปนี้มาปรุงแต่งต่อได้ uh huh. คิดถึงแม่ก็ยังนึกถึงหน้าหน้าแม่ได้คิดถึงพ่อก็ยังนึกถึงหน้าพ่อได้ uh huh. อย่างตอนนี้พอตอนนี้ไม่เห็นหน้าแม่แต่พอคิดถึงถึงหน้าแม่ปั๊บมันก็ อ่มันก็มาทันทีในใจอืมอันนี้มันมัน store อ, อยู่ในใจสัญญาอย่างไงสัญญาโอเคแปลว่าอะไรครับแล้วที่มีคำแปลว่าดูจิตในจิตไม่หมายถึงอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันเป็นคำแปลมาจากภาษาบาลีเองแต่ถ้าดูดูดูจากการขยายความก็ให้ดูจิตไงให้ดูจิตว่าจิตเราตอนนี้เป็นอย่างไ ร, จ, รงจิตเราสงบหรือจิตเราฟุ้ง ที่ขึ้นพาลยจะจบอยู่แล้วนะคะไปสอบใช่มนะคุณกเียเรียนแบบเรียนปล้เรียนนี่เรียนปเรียนเลยเไปมากไม่ได้สอบนะนไปสอบอยาไปะหครับเรเรียนทาเลยครับเรียนหนึ่งะบาลีมาหนึ่งนะสองครับหนสองก็จะสอบพร้อมกันใช่ไมนี่ไงสองหน่้กันครับึอถ้าได้สาก็จะเป็นมหา ก็เหมือนในภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นันก็ดีตรงที่ว่าถ้าถ้าอ่านภาษาบาลีได้ไปอ่านต้นฉบับของพระไตรปิฎกมันก็อาจจะอ่าก็มีมันมีความแปลอยู่แล้วมีแปลเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษหลากหลายภาษาอ่าต่างคนจะเข้าใจช่อวยปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วพออ่านก็จะรู้ว่าแปลผิดหรือไม่แปล แต่ถ้าไม่ปฏิบัินี้มันก็ยังไม่รู้ว่าแปลถูกหรือไม่แปลถูกเวลาไปไปที่เรียนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอะไรขันเช้ากับขันเย็น I can't stand the b u s e คือมัมโบจัมโบอะอะไรขันเช้าขันเย็นไอ้สวดอะค่ะคือคือเราไม่วันเช้าวันเย็น ก็เป็นวิธีอุบายให้มันใช้ใจไม่ไปคิดเรื่องแบ้นรับแค่นั้นเองที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าอยู่ในวิลล์ในเคียรครับพระเจ้าไม่หรอกเป็นอุบายให้ทำสมาธิแทนที่จะมานั่งคิดถึงขนมนมเนยก็ให้มาสวดแทนแต่ก็สวดตอนจบแล้วจะกลับบ้านก็เขาเขาถือว่ามันเป็นธรรมเนียมไม่บาปก็ทำเปนวิธีทำใจให้สงบแบบนั้ แต่ถ้าอยากให้สงบมต้องสวดยาวนานๆครับคชั่วโมงอย่าเงี้ยแล้วต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอฟังเรื่สิเขาม่ติดน้อทสวดมันก็คิดไปเรื่ออ่าถ้าคิดมันก็ไม่สงบอ่เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดสวดแล้วต้องรู้ด้วยว่ากําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องกลับมาสวดให้มันเร็วขึ้นกันนะมันจะได้ไปคิดไม่ได้เช้าเราดีมาก ความหมายดีมาคุณรู้เหรออาจรเขามก็มีคำแปลให่นออมีแปให้มาแล้วเล่นต่กี้ๆหนังสือมันตั้งเลยใช่อะไรมรู้แค่สามตัวนี้ก็พอหรือว่าอันนี้จังทุกขังอน้าตาก็พอ่าอ๋อ่น just information แล้วพอเจอของต้นก็ดีเ e t แล้วสามเล่ม ที่ที่อะไรเมื่อกี้ที่นา้นดีแต่ดีมากพอหาแล้วตัดจอเลยเพราะว่าออลแบบเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบทั้งนั้นเราชอบถามอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ที่ว่าทำอย่างอคือเป็นเพอร์เพ็ชชัลสตูดิโอเดอลองไปดาวน์โหลดไปอ่านดูแค่นั้นนถ้าโทรไปที่โรงพิมพ์น่าเขาหน้าจะมีเส็บแล้อยู่ให้เขาส่งมาที่บ้านให้ก็ได้ถ้าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวเขไปหา เาอนนเพชรเกษเนี่ยฟังทนฟังทนเลยให้หลานไปซื้อให้ต้นไปจัดการได้คอยิดต่อได้มีอะไรหมไ้วไม่มีเดี๋ยวไม่จบออขอกาเงอ๋ออันนั้นรู้แล้วเคยไดเคยยินอาจารย์พูดแล้ว When I first came home, I went to e a อ lunch w ชุด my CDC friend เอาเอ็นบัลเนี้ยแล้วข้างข้างเข้าไปนี้เลให้แมรี่ใส่เข้าไปแม่ร้องพูดมากสอยไอช่างงักเลยใช่ไหมคพอดีคุณแม่เจนในตู้โซอา i ์ดินไว e เจอใน s ิชแล้วคนที่สองก็เอาอีกอย่างเนี้ยคราวนี้เราบอกเลยเราเราไม่ทำนะของวัดอนะเขาวัดรวยมากแล้วบอกเขาทำเลี้ยงเด็กดีกว่า ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพูทธะเลกเป็นคเนอยู่อันนี้อันนี้ถูกไหมคะแล้ ว, ลวที่เขาทำอย่างนี้แล้วเราบอกก็ตามตรงว่าเราไม่เราไม่ศรัทธาคือตอนนั้นอย่างคือ <I mean, S 1> คือทำบุญไม่ทำบุญนี่อยู่ที่ตัวเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้ า, าทำแ ล, แล้วเรารู้ว่าเรามีสุขเราก็ทำใช่ไหมคะ and and it's okay to speak my mind ก็บางทีก็ถ้ามี ถ้ามี d ิปโลม a t i ิหน่อยก็ดีเป็นคนฝานตาต้องขัดชีวิตแหละถ้าถ้าถ้าไม่พูดได้ก็ดีดีกว่าพูดโดยถ้าพูดแล้วทำให้มันแตกแตกแยกนี่นาเขาไม่ไ้ชอบเราเพรเราบอกว่าตัองเราจะไม่ค่อมีคนไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ไม่อยากมีวยื่อนอะเอาไว้สำแดงในคลบมิโลันโชว์จิอร์แต่จิเนอร์ไม่ใช่ใส่ยุ่ยไกับตรงน ก็อย่าอย่าไปสร้างศัตรูโดยเดินถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบกันก็เฉยๆไว้ดีกว่าอย่าไปคิดถึงผลที่จะตามมาคำพูดแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันอาจจะส่งผลยาวไปอีกอย่างนอาจจะโกรธเกลียดกันไปยาวเลยแต่แอยู่นอกไม่เห็นเป็นอย่างนี้ ก็องหนอกก็ไม่ใช่เมืองไ uh, so ทยเออพวเขา They don't t r a ที่นันเรียกมัน uh huh. มั น, ม, นมันคนละเรื่องที่นี่เขาแบบว่ามันต้องร่วมกัน uh huh. ที่นี่สอนให้ร่วมกันดีด้วยไม่ใช่สอนเ <c oughs> มันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะบางทีเวลาต้องการความช่วยเหลือมันก็จะมากันงเยอะ uh huh. แต่ที่นื่เวลาต้องการความช่วยเหลือบางทีไม่มีเลย ไม่เขามากัแต่รู้ว่ามาแต่ไง uh huh. like like if you have problem with house burned down you n e i g help b มาหมดอะไรสักข่าวอะไรมัน uh huh. เขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาพูดกว่านะครัะ uh huh. พูดถึงั้งไหนันี่ uh huh. แต่ไม่ดีกว่ามีไม่วง ม, มีแต่คนบางคนมาเจอทุกทุกพวกนี้เขารวยแล้วเขาเขา I don't know ไม่ไม่นุ้งสนใจเข้าใจเราอันนี้ดั้ดเด็ดพลังอันนี้อันุี่สอบคือดั้ดพลังอันนั้นอันนี้อันนี้คือก็จะไงเราก็เฉยเฉยไปกันแล้วคเขาจะดีก็อะไรของเขาก็ยังไม่ัมนมีกลางเลยมันให้ปัดไปเลยอ่าคือ just ได้แต่อย่าไปอย่าไปยึดติดกับดั้ดมันเรารู้ว่าเขาไม่ดีแล้วก็ปล่อยรู้ว่าเขาดีก็ปล่อยดั้ดได้แต่ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเขาไม่ดีก็ด่าเขาหรือว่าไปตัดโต้เขาอะไรไม่ต้องหรือ ไม่ปล่อยวางแต่รู้ได้รู้แล้วไปให้ปล่อยวางรู้ว่าคนนี้ดีก็ต้องปล่อยเขา uh huh. รู้ว่าคนนี้ไม่ดีก็ต้องปล่อยเขา uh huh. ขอบคุณป <laughs> ห้ฝนให้ขาขอขอบฟ้ามาถามอาจารย์กว่า <laughs> นี่อะไรไหมคุณพีคุณพีก็ค่บ่ <laughs> ออกืออโดยโดยสรุปก็คือปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปพูดเองเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้คําว่าไม่วุ่นก็ไม่ไม่ยุ่งก็ไม่อะไมาะคราบว่าเราไม่เกี่ยวข้องส่วนไหนที่เราเกี่ยวข้องได้ทําแล้วเป็นประโยชน์ ทำน้อให้เกิดความสุขกันก็ทำไปแต่เราอย่าไม่ไปทำให้เกิดความวุ่นวายใจกับเราหรือกับผู้อื่นขึ้นมาใครๆก็ไม่ยุ่งกับใครเลยแต่ชอบมาชวนทานคา้าแต่เราบอกไม่ไปคำเดียวก็ยังไม่ทำไมเขามีอะไรอย่างนี้ I mean it don't stop they keep nudging nudging and I have to คุณโทพุทโทร่หมองอะไรพุไหวนายไม่ด้เนต่อก็ไม่มีนะไม่มีคำบางคับใร้เราต้องต่อเนี่ยแล้วยังอาหโทรศัพท์เราเจอร่มใลโทรมาก็ปล่อยก็พูดไปแล้วก็เอาเอาไว้ห่างห่งหูเรก็นะอว่าให้ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอเคนะไม่มีอะไรแล้วนะให้พรนะ ยะถาวารวะหาสุราปริกุเรนติสาสังเอวะเมวะอิโตชินนางเตตานางอุปการปฏิอิชิตังสักิตังตุมหังทิสเมวะสมิสะตุสัพเหตุเรนตุสังกตาจันโทตนะระโชยะถามานิโชติภะระโชยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพะโรโขวินัสตุมาเตปวะโตอันตราโยสุขีทีพายุโกภวะอะิวาธนสีลิตตะนิจังวุทฒาปจายิโนจัตตารโหธัมมาวาสานติอายุวันโอสุขังภาลัง